ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีการสำรวมใจเป็นนาทีของเราทุกคนที่จะต้องกระทำเมื่อไม่สำรวมใจแล้วมานมันก็ได้ช่องมานคือกิเลสนรับมันได้ช่อง เขากลวามจิตใจได้ถ้าเราสั่รวมใจอยู่เสมอไปมารคือกิเลสมันก็ไม่ได้ช่องมานั้นมีอยู่ถึงห้าประการที่พระศาษษสดาทรงแสดงไว้หันธมา น, นึงกิเลสธารมา น, นึง เทวุตตมานงึงแล้วก็มัจจุมาหนึ่งขันธมานนั้นได้แก่ขันห้านี้เองเนี่ยที่ว่ามันเป็นมานั้นเพราะไม่รู้เท่ามานมันจึงทำ จิตให้หวุนว่นวาเดือดร้อนเพราะว่าขันธ์ห้านี้มันไม่เที่ยงเต็มไปด้วยภัยพิบัติอันตรายคอยรบกวนเบียดเบียนอยู่เสมอจิตที่อาศัยอยู่ในขันธ์ห้านี้เมื่อไม่รู้เท่ามันก็เดือดร้อนวูนวายไป เหตุนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าขันธมานมันมันคอยรบกวนจิตใจอยู่เสมอนี่นะกิเล ส, สมานมานคือกิเลสได้เจกแก่ราคะโทสะโมหะอันนี้มันก็เป็นมานอย่างร้ายกาจมาก มันรบ ก, กวนจิตใจของคนเราอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่ที่จริงก็เพราะว่าจิตนี่แหละยังละที่เลยตอนนี้ไม่หมดเมื่อมันมีเชื้ออยู่เผลอๆมันก็โผล่หน้าขึ้นมาเมื่อมันโผล่ขึ้นมาแล้วจิตไม่รู้เท่าก็หลงไปตามอำนาจของมัน ทางหลงไปตามอำนาจแห่งราคะมันก็กำนักยินดีไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกจนเป็นเหตุให้ล่วงจิตขาวดวิ น, นัยน้อยใหญ่ก็มีถ้าเป็นวิกษุสามเณรนะถ้าเป็นครืหัด จะทําให้ร่วงศีลข้อที่สามเป็นอย่างนั้นทะเมื่อมันเกิดขึ้นในใจแล้วหากไม่รู้แจ้งมันไม่รู้เท่ามันไม่กําหนดละมันมันก็ย่อมบันดาลให้เบียดเบียนบุคคลอื่นและตัดอื่นได้เมื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นก็เท่ากับเบียดเบียนตน เพราะว่ากรรมที่ตนทำลงไปนั่นมันไม่หนีไปจากตนมันติดตามตนไปเสมอเมื่อได้โอกาสเวลาใดมันก็ให้ผลเวลานั้นพราะพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากรรมพันธุกรรมนี่เหมือนกับเห่าพันพี่น้องติดตามไปติดตามมาอยู่อย่างนั้นไม่ลดละ เมื่อมันให้เมื่อมันมันให้ผลเมื่อใดนั่นแหละเมื่อมันให้ผลหมดแล้วมันยังค่อยดับไปถ้ามันยังไม่ให้ผลเมื่อใดมันก็ยังไม่ดับมันก็ติดสอยห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นเมื่อมันได้โอกาสมันก็ให้ผลหมายความว่าเมื่อ กรรมอื่นมันให้ผลโยมันก็ยังให้ผลไม่ได้เมื่อกรรมนั้นสงบระงับหรือมหมดอายุลงไปกรรมที่ทำใหม่นี้จึงให้ผลได้ต้องให้เข้าใจถ้าบุคคลไม่เข้าใจอย่างนี้แล้วเอยตนํำผิดลงไปแล้วก็ไม่เห็นมีพิษมีภัยอะไร ก็เห็นเฉยๆอยู่เลยเข้าใจเอาว่าการทำผิดทำผิดไปในนั้นจะไม่มีโทษตามสนองเทฉะนั้นมันจึงยินดีพอใจทำกรรมอันชั่วใส่ตัวเองคนบางคนนะมันเห็นผิดไปอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นอย่าไปเห็นผิดเพราะว่ากรรมชั่วที่ตัวทำนั่นนะ่ะมันมันมีกรรมอื่นให้ผลในชีวิตอย่เพราะเหตุนั้นมันจึงยังให้ผลไม่ได้ก่อนเหมือนอย่างเก้าอี้ตัวเดียวอย่างนี้นะถ้าในกอไปนั่งเขาแล้วในขอก็นั่งไม่ได้ เมื่อไดกอย้ายออกไปแล้วนา้ขอจึงเข้าไปนั่งแทนได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นนะจิตดวงนี้นะเมื่อกรมชั่วมันให้ผลอยู่เช่นนี้กรมดีถึงมีอยู่มันก็ให้ผลไม่ได้เมื่อกรมชั่วนี้หมดไปกรมดีจึงให้ผลต่อได้ก็ฉันนั่นแหละ นี่ต้องต้องเข้าใจเรื่องประเภทของกรรมมกีเลสให้แจ่มแจ้งผู้ใดเข้าใจอย่างนี้นะจึงได้เกิดความสะดุ้งหวาดกลัวต่อกรรมอันชั่วที่ตนลุ่มหลงกระทำลงไปแล้วมันจะตามให้ผลที่มันให้ผลในปัจจุบันก็มีให้ผลเบื้องหน้าก็มี ที่มันให้ผลในปัจจุบันเราก็เห็นได้อยู่แล้วถ้าปล่อยให้ราคะโทสะครอบงำจิตใจใจก็เดือดร้อนกระวนกระวายประพฤติไปในทางที่ไม่เป็นสินไม่เป็นด âm นี่ที่ผลที่มันปรากฏในปัจจุบันมันก็เป็นอย่างนั้นแหละที่ผลที่มันจะไปปรากฏในเบื้องหน้า ท่านกล่าวว่าบาปหนักนี่มันก็ลงไปนรกแลปละเางนั้นถ้าบาปเบามันก็เป็นเปลตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปอย่างนั้นแหละอันนี้ท่านจึงเรียกว่ากิเลสสามานพราะเมื่อผู้ใดสร้างมันขึ้นมาแล้วแทนที่มันจะนำความทุขมาให้ไม่มีมีแต่นำความทุกข์มาให้อย่างเดียว มัจจุมานมานคือความตายความตายนี่ก็นับว่าเป็นมานอันหนึ่งเพราะสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังไม่สิ้นกิเลสตัณหานี่มันย่อมสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเหมือนกันหมดเลยใครจะไม่กลัวตายไม่มีในโลกอ น, นี้ตั้งแต่สัตว์ดิเรฉานมันก็ยังกลัวตาย มันเป็นงนั้นคนธรรมดาสามัญ น, นี่ก็กลัวตายดังนั้นแหละจึงว่าความตายเนี่ยเป็นภัยที่น่ากลัวสำหรับคนธรรมดาสามัญพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเป็นมารอันหนึ่งมันทำรายความสงบสุขของ จ, จิตใจ มันเป็นยังไงเทวุตามาณมานคือสัญญาอาดีตสัญญาอนาคตความคิดสร้างวิมานบนอากาศเมื่อเราทำบุญกุศลอย่างนั้นอย่างนี้แล้ว ตายแล้วจะไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้าอะไรทำนองนี้นะนี่มันก็เป็นมานชรชนิดหนึ่งสำหรับหน่วงเนียวจิตใจให้คล่องอยู่ในโลกนี้ให้หลุดจากโลกนี้ไปไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นพวกมา น, นี่นะให้พึงเข้าใจ อภิษสังขารมานมานคือกรรมดีกรรมชั่วกรรมไม่ดีไม่ชั่วอันนี้ก็เป็นมานทำไมพระเจ้าจึงตัดม า, าเป็นมานเพราะว่าเมื่อบุคคลไม่รู้เท่าแล้วมันก็ยอมติดยอมข้องอยู่ในโลกดังกล่าวมานั่นแหละเช่นปุญญาพี่สังขาร สังขารที่เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อบุคคลไปยึดถือเอาไว้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางมันก็พาให้ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในโลกสงสารอันนี้แต่ว่ามันไปทางดีเท่านั้นเองแต่มันทั้งใก้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไ ม, ไม่หยุดยัง้ง ถ้าไม่ละไม่วางเสียเมื่อใดนะส่วนอภิสังอ า, อาปุญญาพิสังขารสังขารที่เป็นบาปกรรมนั่นมาปรุงแต่งกิจใจนี่ให้ให้ใจพอใจไปในทางการทำความชั่วนี่มันเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่ามานเพราะมันสามารถหลอกกิจใจ ให้หลงไปกระทำความชั่วได้เช่นความโลภความโกรธความหลงหมดนี้นะ เ, เมื่อเชื้อมันมีอยู่ในใจเวลามีเหตุภายนอกกระทบเข้ามานี่มันจะเกิดขึ้นในใจได้มันจะมีกำลังแก่กล้าขึ้นไป คือทำให้ความอยากของมทียเยอทยานอยากได้วัตถุ ก, กรรมและกิเลส ก, กรรมนั้นมีกำลังแรงกล้าขึ้นโดยลำดับนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงจัดว่าเป็นมานนั่นเองเลยเป็นมานกิเลส ต, ต่างๆนี่นะ ดังนั้นเราทุกคนให้พึ่งพากันพิจารณาให้รู้ให้เห็นลักษณะอาการของกิเลสต่างๆที่มันเป็นมารอยู่ในหัวใจเมื่อพิจาาแล้วเราต้องกาจัดมันออกไปความตายหมดนี่นะ ต, ต้องพิจารณาลงไปจนในมันหายกลัว จนมันเห็นแจ้งโดยปัญญาว่าไม่มีเราตายเขาตายมันมีธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแปรปวนแตกดับไปเฉยเมื่อมันหมดเหตุหมดจุดปัจจัยไปแล้วมันก็แตกดับไปธาตุสี่ขันธ์ห้านี่น่ะเราจะไปหาคนหาสัตว์อะไรในขันธ์ห้านั้นไม่มี เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่กลัวไม่สะดุง้งต่อภัยต่างๆหรือความตายที่จะมาถึงมันก็ไม่กลัวนั่นไอวิเอาชะชนะมานเหล่านี้นะเ <c oughs> ทวตามานั่นท่านหมายเอา สัญญาที่เป็นอดีตอนาคตดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะไปมุ่งหวังไปเราทำบุญกุศลทำความดีอะไรเพื่อชำระล้างกิเลสในหัวใจนี่ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปต่างหากไม่ใช่ทำบุญเพื่อหวังให้ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดา อันนั้นมันเป็นกิเลสเป็นอุปาทานเครื่องข้องอยู่ในโลกการที่เราน้อมเอาบุญเอากุศลเอาความดีที่ตนทรมานั่นนะ่ะเข้ามาสู่จิตใจนี้บุญกุศลนี่มันก็จะมาขับไล่กิเลสออกจากใจเหมือนอย่างยามันขับไล่โรคภายในร่างกายให้หายออกไปฉะนั้นแหละ ถ้าหากว่ายามันเหมาะกับโรคหมอได้พิจารณาและแน่แล้วอย่างนี้นะวางยาลงไปคนไข้รับประทานยาเข้าไปยานั้นมันก็ไปทำหน้าที่ขับไล่โรคภัยไข้เจ็บนั้นออกไปจากร่างกายชั้นใดกิเลสตัณหาอยู่ภายในจิตใจของคนเรานี้ ก็เหมือนโรคของจิตใจนั้นเองนะทีนี้เมื่อเราบําเพ็ญบุญกุศลทำความดีต่างๆให้เกิดมีขึ้นในใจของตนเราไม่ได้น้อมเอาอความดีนี่ไปในทางอื่นเราน้อมเอาความดีคือบุญกุศลเข้าไปเพื่อขับไล่กิเลสตัณหาออกไปจากจิตใจ เช่นนี้กิเลสนั้นมันก็อบุญกุศลนั้นมันก็ทําหน้าที่ขับไล่กิเลสตัณหานั่นออกไปจา ก, กจิตใจให้เบาบางไปก็ฉันนั่นแหละใหเข้าใจเมื่อผู้ใดทากุศลความดีอะไรมุ่งหวังให้กุศลคุณงามความดีนั้นกำจัดกิเลสออกจา ก, กจิตใจนี้ ให้หมดไปสิ้นไปนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกเห็นชอบเป็นผู้ทำบุญกุศลแล้วอาศัยบุญกุศลไปในทางที่ถูกที่ชอบมันก็ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าปล่อยผู้ใดมุ่งหวังว่าให้ได้เกิดในภพน้อยภพใหญ่ ให้ร่ำรวยให้เป็นมหาเศรษฐีอะไรไปตำหนองนั่นน่ะนั่นไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้เป็นทางไปสู่ทุกขนำให้เกิดแก่เจ็บตายไม่รู้จักจบจักทิ้นให้เข้าใจอันนี้แหละเรียก ว, ว่ามานให้พึงพากันพิจรนารณาดู มารของชีวิตอภิสังขารมานได้แก่กรรมดีกรรมชั่วด้นนะเมื่อเวลาบุคคลกระทำกรรมชั่วแล้วอาก็มันได้โอกาสหมายความว่าทำกรรมชั่วมาแต่อดีตทนหลังเมื่อมันได้โอกาสให้ผลเวลาใดมันก็เข้าสู่ร่างกายจิตใจนี้ ทำให้ร่างกายเกิดความวิบัติขึ้นโดยประการต่างๆทําเป็นอย่างนั้นทำให้ได้สเสวยทุกขเวทนาโดยประการต่างๆถ้าหากว่าบุญอำนวยผลให้ทันเรียวกว่าปุญญาพิสังขารดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละผู้ใดติดอยู่ในบุญ เช่นบุญกุศลอำนวยให้มีโพคะสมบัติมากมาก ม, ากมีเกียรติมียศอะไรอย่างนี้นะแล้วก็หลงอยู่ในเกียรติในยศหลงอยู่ในความร่ํารวยอันนั้นไม่คิดที่จะฝึกตนให้กิเลสมันน้อยเบาบางออกจากกิจใจเช่นนี้นะไอ้ความร่ํารวยอันนั้นมันก็ก่อให้เกิดกิเลส ตัณหานานประการขึ้นมาดีไม่ดีมันพายทำบาปกรรมบาปกรรมนมันก่อนนำจิตวิญญาณนี้ไปสู่นรกอบายภูมิเหตุฉะนั้นอภิสังขารมานท่านจึงว่าเป็นมารอันสำคัญควรพากันรู้ไว้ควรพยายามละกิเลส ต่างๆอันมีในหัวใจนั่นให้มันเบาบางออกไปด้วยข้อด้วยการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญานี่เท่านั้นแหละที่จะกาจัดกิเลสต่างๆหรือมานต่างๆออกไปจากจิตใจได้ไม่มีทำอย่างอื่นไม่มี พาธาอาคมหรืออำนาจใดๆในโลกนี้ที่จะมากำจัดกิเลสตัณหาเนี่ยให้น้อยเบาวางออกไปจา ก, ก จ, จิตใจได้ไม่มีเลยถ้ามีพระพุทธเจ้าก็คงนำมาแสดงไว้แต่ในตำราท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อ พระองค์ใกล้จะเสด็จดับขันพรินิพพานนั้นทรงเดินทางจากเมืองเวสาลีพักไปโดยลำดับเพื่อจะไปพรินิพพานในเมืองกุศินาราในระหว่างทางพระองค์ก็ทรงแสดง ทำเรื่องศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอริยะเห็นไให้ภิกษุพุทธบริษัททั้งหลายฟังไปโดยลำดับแสดงว่าพราะองค์เจ้า ท, ทรงแสดงเพื่อให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าธรรมะที่จะมาคำจัดกิเลส ให้หมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี่มีแต่ศีลสมาธิปัญญาเท่านี้เองหรือว่ามักมีองแปรนี่นอกจากนี้ไปแล้วไม่มีถึงมีธรรมะอื่นก็เพียงแแ่ทาให้กิเลสมันบันเทาบาบางไปเท่านั้นเองให้พึงเข้าใจเนั่น นักปราชญ์ทงหลายท่านรู้ท่านเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วจึงตั้งใจบำเพ็ญสินสมาธิปัญญานิให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีเมื่อบำเพ็ญใน บ, บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วมันก็กำจัดอาสวะกิเลสให้น้อยบาบางหมดไปสิ้นไป จากกิจใจนี้ตามกำลังความสามารถที่จะบาเพ็ญให้แก่กล้าขึ้นได้เท่าไรมันก็กาจัดกิเลสได้เท่านั้นเลยเพราะว่ากิเลสก็มีสามกองข้อปฏิบัติที่กาจัดกิเลสก็มีสามข้อเช่นราคะโทสะโมหะอันนี้ เป็นรากเงาของกิเลสทั้งหลายศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องกำจัดกิเลสสามประการนี้ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี้เพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปทำศีลในบริสุทธิ์ให้ได้ อย่าเห็นผิดไปว่าเรื่องศีลไม่สําคัญเท่าไรเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาโดนสําคัญอย่างนี้ไปเห็นผิดอย่างนั้นไม่ถูกศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยทอยที่ทอยก็สนับสนุนซึ่งกันและกันให้คุณธรรมอันนี่มันมั่นคงมีกําลังเข้มแข็ง อย่างว่าศีลก็กำจัดราคะโทสะโมหะอย่างหยาบให้บรรเทาเบาบางลงไปสมาธิก็เป็นเครื่องกำจัดราคะโทสะโมหะอย่างกลางให้บาบางลงให้สงบลงยังเหลือตั้งแต่กิเลสอย่างละเอียดทันเรียวอุปธิ อันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาปัญญาเมื่อเจริญให้มากอบรมให้มากเกิดขึ้นแล้วย่อมขจัดกิเลสสามอย่างให้หมดไปสิ้นไปกามมาสวะอาสวะคือกามหมายถึงกิเล ส, สกรรมวัตถุกรรมภวาสวะอาสวะคือพบ นี่ทำลายภพเสียได้อวิชชาสวาอาสวะคืออวิชชาความไม่รู้ความไม่รู้แจ้งในอริยสัจจะทำทั้งสีนั้นแหละท่านเรียกว่าอาวิชชาถ้าไปทำอวิชชาคือความรู้จริงในอริยสัจจะทำทั้งสีนี้ให้บังเกิดขึ้น แล้วอย่างนี้ก็จะกำจัดอวิชชาความไม่รู้อริยสัจธรรมทั้งสี่นั้นให้หมดไปสิ้นไปได้จริงๆนี่เป็นอย่างนี้คุณธรรมสามประการนี่นะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสเป็นสั้นๆไป กิเลสอย่างกลางนี่เราจะระ ง, งับได้ด้วยสมาธิภาวนาวันนี้กิเลสอย่างละเอียดนั้นจะกำจัดได้ด้วยปัญญาให้เข้าใจเหมือนอย่างที่โรคของเขาน่ะไอตาหนังธรรมดาเนี่ยเราจะมองดูเชื้อโรคในกายของคนนี้ไม่เห็นเลยเหตุนั้นผู้เขามีความคิดฉลาดเฉลียว เขาจึ ง, ส ร, งสร้างกล้องจุลทศร์ขึ้นมาเมื่อกล้องจุลทัศนั้นส่องไปมันจะเห็นกิเลสมันจะเห็นตัวโรคภัยภัยเจ็บนั้นปรากฏอยู่ในกล้องจุลทศร์ตัวใหญ่เบลอเพียงเดียว ต, ตาหนังธรรมดานี่มองไม่เห็นเลยอันนี้เปรียบได้กับปัญญาอันละเอียดทุกขุมนั่นแหละ เมื่อบำเพ็ญได้เกิดขึ้นแล้วก็สามารถมองเห็นกิเลสตัว น, น้ยอยๆก็เห็นได้ชัดเลยไหมเห็นได้อย่างไม่มีเหลือหลออย่างนั้นท่านจึงเรียกว่าปัญญานนั้นเป็นเครื่องกรรมจัดกิเลสอย่างละเอียดให้หมดไปสิ้นไปจากกิตตสันดานดังแสดงมา